ปฏิยัติคือคำสอนปฏิบัติคือปฏิบัติตามคำสอนปฏิเวทคือผลของความปฏิบัติปริยัติยัดเขาใสยัดเข้ากายบรญญัติเข้ากายเขาว่าจ่าเข้าใจปฏิบัติเกิดปฏิบัติกายปฏิบัติว่าจ่าปฏิบัติใจ ผลปฏิเวทปฏิเวทะอัวท่อทุอ่งก็คือผลของกายขวาว่าใจควองใจส่วนผลซุมนี่มันพลยเป็นผู้รับมันเนี่ยกับมันใจผู้เดียวเป็นผู้รับปฏิบัติกับมันใจเป็นผู้หนาเออปริยัติกับมันใจเป็นผู้จำ ปฏิบัติกับมันใจเป็นหัวนาปฏิบัติปฏิเวทผลของข้อมปฏิบัติได้หน่อยและมากกัมันใจเป็นผู้ได้รับกับกบกกของเกาง่าน่ะคำว่าพระสูตรเขาเรียกเป็นติกะติกะแปลว่าสามคำว่าพาวิเน่สักกันนะก็มีวิเน่สกายวิเนว่นาจ่าวิเน่ส์ใจคําว่าไตาปิลกตไตแปลว่าสาม ปดกปไปว่าที่รวบรวบอุปมาเหมือนกระตาหรือส ล, อล้อมรวมรวบไนหัตรหรือกระเป๋าพระวไนยปีดกรวบ ร, รวมพระวไนยรวบรวมลงในกายว่าใจใจของเกา่าพระสูตรตันต์ปดกกระสูตรของกายสูตร ข, ของว่าใจสูตรของใจของเกา่า พระปรมาตนะักามัดเขาในกายในว่าจารในใจของเกา่าลึกซึ้งคืออธิบายลึกซึ้งก็กันเดี๋ยวว่ า, าพระปรมาตอธิบายแบบตื้นตื้นอธิบายเรื่องกายเรื่องว่าจาเรื่องใจอธิบายเรื่องตื้นตืนเดี๋ยวว่าพระวินยัยอธิบายเรื่องลงไปก็นั่นอีกมีปรมาตมาแก้มยกเป็นบุคลาธิฐานคือพระสูตร สูตรของกายสูตรของวาวจาสูตรของใจของเก่าถ้าว่าอันันตรคณะสูตรสูตรที่ไม่ Không. ใช่ต nice. ัวตนก็คือสูตรของกายของวหวจ่าของใจของเก่าสูตรของลูกขันหน้าขันของเก่ากายวาจ้าจัดเป็นลูกขันใจจัดเป็นนาาขันกายวาจ้าจัดเป็นลูกปรลก ใจจัดเป็นหน้ามโร ก, ก็ว่าควบเก่าหละล่ะเมื่ไร้บอกควบใหม่ละแในสั้นรถผู้มันที่ยืนยันว่าสันพี่เจน้านี้จางนังหุ่มแล้วเขาบรรับร่องเป็นว่าสันพี่เจหน้าอยู่ในวงของนังหุ่มแล้ว่แม้สิพี่เจ้าน้าละเอียดก็ดีหรืออันไดก็ดี หรือสิียาก็ดีสันคภิดเท่ทาสิแก้่คนวะบางทีแ่หน้าออกไปจากนี้แล้วหอบบอกแก่คนว่าง่มปาน อ, อกเห้ยเลือดตีนดีๆแล้วก็บั้วอะไรกบ็บอกตามเศร้าโลกเขาบอกเปนหน้าที่ของพระยับได้แน่คหัก ข, ข้อจะของโป้สันฝรั่ง แมนแต่คนบหานนอกว่าเอกแมนอีกเนี openly, ่ยคนน่มันโมแมนเนี่ยบอกกกับมันบอแมนอีกือเก่าเลยแมนบอกกับบมแมนอยู่คนเนี่ยมันบอมแมนคนบอกแสดงแผ่นฮงบมแมนเท่านั้นคนเนี่ยมันแมนเนี่อกยื้อวัดมือมันก็แมนยื้อวัดมือคือห้องเยียบขี้ดินเนี่ยเยียบยื้อวัดมือมันก็แมนเยียบดินยวดมือ มันสีบัวอกว่าขายหยาบดินนี่แหละมันก็เหยาบดินยึดวัดมือทนขยายออกท่า็ขยายออกจากกายว่าใจใจในี่บอกเป็นติ ก, กะก็เป็นเทเว่คือบอกเป็นสองว่าใจานั้นล่วมเขามาเป็นกายซะก็ืนกายกับใจใกายกับใจในเบ้ยงเป็นหกอง เรียกว่าค้นหาหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาที่สังขารหาวิญญาณสัญญาคือความจำของเขาจำหลุกจำเสียงจำกินจำรสจำโหดถ้าพระจำธรรมาร่มจรว่าสัทธะสัญญาจำเสียงคันธะสัญญาจำรส คันธะสัญญาลูกพระสัญญาจำลูกไหมสัทธะสัญญาจำเสียงไหมคันธะสัญญาจำกินแม่ละสะสัญญาจำลดไหมพุทพภะสัญญาจำพุทพภะี่มากระทบกายธรรมะสัญญาจำธรรมาร่มเทมากระทบใจ เมื่อเราวันนี้ออกจากกายว่าใจใจข้ามสอนพระพุทธเจ้าแต่ห้ามห่อง้องมัจากทรงนี้ซื้อแต่ว่าทรงนี้ก็อยั่งสงสัยในการทรงนี้ดึงมากไปย่าสงสัยในการดึงมากเสือกเส้นเดียว่ะเวลายืดออกไปไปยั่งสงสัยวันไม่จากกองไหลเสือ้อเวลาโค้เขม้าสาวขามาก้ายัเขวัใจว่ามันไม่จากเส้นไหนก็เป็นเส้นเก่าอ่ะโค้เขม้าโค้เขม้าโค้เขม้าไปกองอุ่มลุม ก็เป็นกองไงทั้งสี่ยอดลงมากอะไรก็ไงทอนกับอันยืดเวลายืดออกไปมันก็มีท้าได้มันก็นกยืดออกไปเท่านัน้นมันก็เน่าทอที่โค้งไว้ค่นแหะหลอกมาสักเรียกว่าอัชชะตาท่ำๆภายในอ้พรนา ย, ย ก, ก, ไากงงาูไปว่าโค้งลงมาแปลว่าสาวขึ้นมาพระฮิตท่าท่ำๆภายนอกแปลว่าดึงขึงออกไปแต่มันเน่า ว, วาน เททิพภาวนาไฟายนเท่ากันย่าไปสงสัยเท่าทิพยภาวนาไฟขยายออกเท่ากันย่าไปสงสัยนิมิตทั้งหลายที่มันมาย่ในภาวนาเท่าเทา่ า, า, ายนลงมทงเอกานิมิตคือนิมิตตเดนึงคืออาจารย์เดิมไม่เท่าที่ขยายขยายออกจากอาจารย์เดิมอ่ะผู้ใดเป็นผู้ดับหนึ่ง กับผู้เก่าอันตัวผูได้ไปผู้นับสองนับสามนับลอยปวดลอยพันกับเนผู้เก่าอันตัวสี่ยนมากเขายนลงมาหาผู้เก่าอันตัวผู้เก่ามันไฝมันจิบใจไว้ผู้ผู้นับเป็นผู้สมุดมันบอกของมันหลายมันออกไปจากอันไหนมันก็ออกไปจากอันันหน่อยหน้าหน้าสมมุติมันก็ออกจากไฟจากเอกะสมุติในปัจจุบัน กายในสกลละกายมันสีมีต่างล้านต่างโกต่างตืดติวสรียวติโอกรตำมันก็เต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยเ่วยด้วยเน่าอันเดียวเสมอการมันหนัของไสวัดควบแกก็คือกันมันก็เสมอหน้าของไส้วัดไม่เพลใดเพลนไปได้ในโลกเลยมันม่มีเนสมประสงค์วัฒนธเนี่ยมันสมก็มีอยู่ในวัฒน มันบม่มีแนวสมประสงเลยวะเขาเรียสมประสองค์อยู่ว่าสันหมอหนึ่งวาดมกรเอาห้องติดถามตัวแล้วกันตัวสมประสงค์่าตัวจะแ ก, ก่บอบอสันตัวจะเกีบบบอบอสันตัวจะตายบอบอสันตัวจะเป็นค้นนุมน่มแนมแนนแข็งแห้งอยู่คือเกลาตั ว, วนั่นแหละเพราว่ามันไม่สมประสง์่ะ เขาหนึ่งเพราะว่าโอ้ยด้โลกอันนี้ไั่นมันจริงถึงแต่เราแลวเาขาน่อยไั่นพายกินเข้าไปเราเม้ามัดไม่สนโอ้ยโตไปเห็นหน้าเดียว อ, อ, อันอื่นเมื่อกีจริงก็คูอค่อันและวะนนมมนในนามแพลนมือในนี้ก็จริงก็คือเขาหนอแกเก็บตายมื่อนี่ยพกริงกริงแต่กินเราเม้าหัวไปเห็นหน้าเดียววะคุณพระคพระทํามประสงค์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพวกจริงวาของจริงมันมีมีอยู่สองทางวะ นี่อยู่สามทางจริงทั้งบุญหนึงจริงทั้งบาปหนึ่จริงทั้งมรคนในพลานนึ่งไม่ก็จริงเลิกเข้าไปควบจริงวันนี้จะควมจริง่ะบาปควบจริงในทัางบาปมันกับวันนี้จกบาปควบจริงในทั้งบุญเหมือนกับวันี้จะบุญควบจริงในทางมรคนในพลานมันกับวันนี้จะมรคนในพลาน ผู้ลู่กัคือใครไม่เคยมียิงย้อน ก, กันผู้ลู่ผู้ลู่พุทธส้นคนหนากับผู้ลูพระละหันเดีเทียบกันได้บอกผู้ลู่พระลหันสุกัยปัชกโกกับผูลูพระหันเตวิชโชชละฟินโยปทิัมพีทัพระโตนี่ยก็คือกันผู้ลูข่ของพุ่งของชาวกจไปเทียบได้กับพระประเจกบอก ผู้ลูกของพ่อพระเจกสิปเปียบได้ก็พระสมณะพระพุทธเจ้าให้บอกองศาเนี่แต่ฉานก็กันรวดเร็วก็กันพพระพุทธศาสนาปฏิบัติพเป็นพระพุทธศาสนาเป็นนิยานี้กระทำนงนำสัตว์ออกจากวัตาทองศาเนี่ยว่ามปนศาสนาที่ว่าผูกคอไ้สัตว ให้ซัดเวียนไหวตายเกิดเนี่ยว่าตาทงสารนี่แต่ว่าคิเด็ของเขาม่มีมันก็จําเปล่นมือมันตันบ่วงว่านขาดตันบ่วงบ่านขาดปัญญาเม่อแก่ก้ามันกระตัดบ่าขาดเนี่ยูกใครมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยกัมันกับมันเข้ามีเข้าก็มเกิดน้าพอน้ำเมร์อ้า คุณลงก้นเคียรให้พ่อให้แม่เทียงพ่อเที่ยงแม่เมื่อเลี้ยงเมื่รู้มุดเจ้าสิเฮ็ดมาให้ยั้งมันมันกระยาโพดว่าของสั่งกลุกสวนพ้นบุญฮ้องโตกเดี๋ยวฮ้องฮ้องเพลินจะหนักมาเกิดเพลินน้าเพลินเข้ามาเกิดกวดีเข้ามาแก้กว่าดีเข้ามาเก็บกว่าดีเข้ามาตายกว่าดี เ็าบอกเรื่องโลกน่ะก็าบอกเรื่องสันขานน่ะเขาบอกเรื่องความทุกข์คนเราอยู่เสมอเนี่ยข่าวอยู่เสมอในหนังสือพิมพ์มันข่าวยัง่งยืนข่าวอยู่ในโลกเนี่ยก็มีแต่ข่าวทุกข์เท่านั้นแหละพระนิพพานบอกว่าเป็นผลสิา่าอยข่าวห้องบนห้องทีปฏิตติต่อใด ข้าวรสต้นกันกับมันข้าวทุกเนี่ข้าวกี้ข้าวป่นกับมันข้าวทุกเนี่ข้าวต้มข้าวตุ๋นกับมันข้าวทุกเนี่ข้าวขาฟันนั่นแทงกันข้าวทุกเน่ข้าวสิ่งดีสิ่งเด่นกันกับมันข้าวทุกขคือกันตัวข้าวฟองข้าวหาเป็นน้ำน่อยถอยขั้วมุ่นผลอาของอันมุ่นอันมันเปียังกระทุกเท่านั้นแ่ะมันเนีรับหน่อยรับหลายก็แล้วแต่เหตุผลมันเป็นตัวงานเจรจาของพวกคลหมองสับ เมื่อทุกทั้งหลายมันบรรจุยันในโลกแล้วนี่ผลของโลกมั่อนี้มันกระทุกคนตัว้อกสิกสาคัญละซุปมันได้สร้างเทเมะมันพอปอนแมงวันสาคัญอะมันสุอยู่ในกองขีนแล้วสมมือละพ่นหม้อไปมู่เฮ้ามดไตโลกธาทั มีทรัพย์สมบัติสิได้สิได้สิเอามาให้เบิดปตองเต็มท่อพูดจาก่ก้อนอันกิเลสเท่ามีอยู่หนึ่งมันบอบว่าบางเข้าสิได้อยงเขาอกท่นยางไปลำชทางสิเบิรต่ผูู้ดสินับถือหรือหานบเมื่อเป็น้อนเอาตะเลียงค้ามหมดมาฮับอะไปบินทบาทก็ได้แต่ว่ากิเลสของเ้าน่ะ โมยุดย์ยานพอล่งเสล่ ย, ลยแล้วเข้าสีได้เอียงสัตว์ที่ยันหน้ามึงันคลักแมะว่านี่ข้าบวชบ้านในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปทางไหนเสียิพูนับถือหานบจนมือเป็ี่ยนหอนเข้าจ้าสียอาะพ่อใจปฏิบัติตายแล้วเกิดเกิด้ตายมากก็ไม่เห็นเป็นท่าในตอกมาหาสมุทรร้อยโกดมาหาสมุทร ก็ไ่ได้ปฏิวัติเออพอออกสลัดบ่เออเออเขาวัดเขาว่าละมูห้อเออของวัดอยู่คิดท้องห้อพระศาสานาอยู่คิดท้องหา้ากาโมเนนาวัตติโลกกู ลรกเป็นไ ป, ไ, ปไปตามกรรมว่าเท่ารู้ดีไว้แล้วเพราะกรรมเป็นเครื่องตัดวัฏฏาสงสารมอได้กรรมไฟกุศลกับหมายถึงพระอาณาค่ามีตรท่านันกรรมไฟบาปกับหมายถึงมหาวิจีนรกหรืออนันตริยกรรมหาหรือป่าราชิกซี ข้ามีเงินยังสร้างบุญอยู่บุญเต็มแล้วละถอนอปุปทานในวัดละ่ะมีหน้าที่ตักน้ำใช่ไห้พระอนณาคามีเงิ น, นยังมันเต็มพระอรหันต์มันเต็มแล้วไหกลับมาเป็นไห้หัวทักทายตอนนี้มันกรล้นลทีไม่ซื้อว่าพระอรหันต์อยู่เนื้อบาบเนื้อบุญนมันแมนอยู่พระบาปเพิ่นกระละพ่อแล้วบุญเพิ่นกระสางพ่อแล้ว มืดจาเต็มหน่วยแลววหละฮะควบมืดมันเลยบมี่นปัญหาของเจ้าของก็สยซีไรสีไรสีไรแก่เมื่อปัญหาหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงเกเมื่อโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วเข้าเห็นทุกขก์ขณะิดหนึ่งสิบวาเข้า เป็นโลคกบิทุรอบโลกบ่ใช่ถามาว่าดนไม้ว่าจะไปเที่ยมพ่อของเจ้าเป็นสาวะกะโลคกบิทูพ่อพุทธะซีจาพวกจำเรามาแล้วเนี่ยชมาทัมพุทธะจําพวกหนึง่งพระเจ้าพุทธะจําพวกห น, กก น, กนึ่งสาวกพุทธะจําพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะจาพวกหนึ่งสาวิกาสาวกพุทธะในไม้จะจะใส่ขึ้นไปก็่ไม้แต่พระสวดาบันขึ้นไป เพราะเป็นพวกมจันเบื้องต้นดังวามาเหลวเจนเฒาเจนเหม็นเจนเบื้อหูกูคเคยฟังมากก็ได้นั่นอะพวกมจันเบื้องต้นในทางพุทธศาสนานะครับศาสนากายศาสนาว่าใจศาสนาใจ กะทู่นี่สียกมาในคํำพี้ในะกระซางกรมาจากมโนภู พ, พังเข้ามาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนโธธรรมายาทัางหนักทําทลายมีใจเป็นไงเนี่ยกระทู่จิตกระทู่ใจมาไปทั้งบาปก็เป็นกระทู่บาปมาไปทั้งท่านก็เป็นทู่ท่านาไปทั้งขวอมเพี้ยนก็เป็นทู่กระทู่ข้อมเพีย้ยนวินิเยเยทุกขมัตเจตีเองโคตล่วงทุกข์เลยเพราะควอมเพี้ยน กันไปทั้งปัญญาเขาเรียกว่ากุกระทูปัญญาปัญญายะปฏิสุทธิ์สติมิีรบริสุทธิ์กับเพาะปัญญา ป, ญปัญญาโลกก็สมีประโชตโตแสงสว่างเสมอปัญญาบ่มีแสงภาทิทธิยังไม่ที่บังอยู่ปัญญาไม่มีที่บังเห็นอันนี้จังสัตยิบว่าทะลุพูกเขาได้บ่ ธีบว่าทะลุใจโลกธาตุได้บ่พราะใจโลกธาตุเต็มไปเลยอันนี้จังเลยสีบว่าเห็นรอบโลกบ่สิในด้านปัญญาด้านปัญญากับด้านศีลด้านสมาธิเท่กันศีลกับสมาธิปัญญามก็ไปพร้อมกันน่ะคือเ้ายยางเก่าวไปพอห้อย เ, เก้าไปขาก็ไปหัวก็ไปแขนก็ไปที่ ว, วางะไรสิรับใจใส่พุ่งไปน้ากันมืด มนเผามันแก่เปลือกมันก็แก่งอนมันก็แก่กะล่ามันก็แก่สำนักอ่อนมันก็อ่อนต้ากันหมดเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่ขึ้นกันเพื่อแยกศีลสมาธิปัญญาเพื่อแยกออกให้หัวใจเตื่นเต้นรอกขึ้นห้น้ำในเมื่อไหนหนึ่งสองสามสี่หาเนี่ยนเมื่อไหนมิจังนี้ว่าแท่นพุทธสารกะว่าหาล้วนเนี่ย่อนจะไปหนึ่งสองสามสี่หา มันชำนานเขาแห้งเลยห้องปฏิบัติมีเจตนาวางผลทุกใน้าวัจาทุงศาเลยเจตนานั่นมันเป็นยอดเจตนาทั้งปวงเลยแม้ห้องที่ปฏิบัติยังมาถึงกงระซังปฏิบัติพิษบ้างกระตามเพราะมีเจตนาหนักไปในทา่ารดผลในวัชาทุงสาเนีลย เห็ุฉนัยเขาจึงยังลงยังสั่งก็เพ่อเห็นไพในวตารสงสารอย่างเติทีจังสิพ่อใจตั้งหมันยังสั่งเห็นยังโมเห็นไพในวตารสงสารอย่างมติที่ควมตั้งมันในอันนั้นควมเจตนาอันนั้นสัจจาปรมีสัมปันโนอันนั้นอธิษฐานปรมีสัมปันโนอันนั้นมันก็ตั้งวิโยคือกันเป็นไหมสักสี่ก้อยคือกันรวมนารวมรังล่ะลมอบพัดทั้งนั้นก็ไปทั้งนั้นะ สังคมนิยมสิไดสีมากระถามประชาชิทีปไตยทั้งไหนสีมา ก, กระซางมันทีนี้คาสอนพระพุทธเจ้าของเฮาไปได้บ่หนีไปบ่ ไ, ปได้ดิ อ, อ่าโรกมุ่นไหวไส้พงอยู่เสมอนี่ก็เพราะปีนคําสอนพระองค์เจ้าะพวกตั้งกฎหมายบ่มองมุ่งสินธมของพระองค์เจ้ามันก็บิดตะวันขึ้นเลยอ้วาว่าชนาหอดในอำเภอหัวลังเทีย ตังกฎหมายว่ามันดูถูกรัฐบาลว่าตามค้มเป็นจริงใครว่าแล้วว่าให้พระซอยแดงพระซอยแดงซอยตายอย่างไหนพอกับลูกเรียนการพรนอน่นกันพยว่ามมันห่างมันมีแตเถื่อเรียนอบายย ม, มุกพอกับลูกพอมันไฟรัฐบาลลูกมันไฟประสาส่น พระเจ้าพิมพิสารเป็นพลเป็นพระสสดาวบัณฑ์พลออกกฎหมายเอาเองเพ่ลโมเกียวกับพวกรัฐมนตรีคนมีสินหาออกกฎหมายมีมสินหามเป็นเวรดิมันพวกเขาขางตัวดิอาศัยรักถ้ำนี่มันกับพวกพิษ ด, ดียร์หว่าได้สร้างร้ายมาตาามา้าพ่อป้านายเดล มีสินหาประจำาลี่เดสร้างร้ายมาตาท่องให้มันอยากได้ยังเรจะมีพูบบ้มือผู้แสนสามเราบอกม่จักเทไรเทไรขันยูได้กรอบวงสินหาแล้วต้องปั่นนันกุญแจกับว่าต้องมีแล้วสตารอาวุธขากันกับบุมี่ รักเกล่รักป่รับไทยรักท้อนวิ่งละเท้าเล่าวิ่งไทยกับบะมีคุกกับ่ะตองมีตะล่างกับ่ะตองมีต้มตุ๋นกันกับบมี่ฮันนโลกชีสมายแบบไหนสันเพียงเท่านั้นจะเห็นคุณพระเดชพระคุณของพระพุทธศาสนาแล้วพุะพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาซ้อนถ้ำ ม, มือนเก่าเนี่ วันนี้มีขอแม่ขอ พ, อพ่อกันล่วงไปแล้ว น, นี่กระาตะโกตะโยหมากก็ลอยโกรธชีหานทาะท่านนท่านตีๆพระพุทธเจ้ทาทั้งหลายประกาศที่หานาในาพุทธบริษัทว่ามีขั้นข้ามเพราะเห็ไหุไดเพราะกิเลสท่านไม่มีในแต่ว่าเรากิเลสเตรียรเมเพื่อฟ้าเพืเพ่อดินกระท้วงท่นานบ่ได้ท้าอันนี้เป็นไฟจะเดินเด้ไ่น ถ้ำด่านนี่เป็นไฟเสื่อมเนอะอาจารยข้าพเจ้าปฏิบัติเนี่ยถ้ำไฟนี่มันว่เสื่อมว่าสัตว์พิเคัดค้านได้ได้่ะถ้ำไฟนี่ข้าพเจ้าปฏิบัติพราแหงเนี่ยมันว่าเห็นมันเจริญว่าสัว์คัดค้านบ่าไรมันเห็นในสัตว์พระพุทธเจ้ายังเข้ารบถ้าแหมสัตเโมะคลุกาตาโปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาตัดสรุปมาแสดงถราไม่จักกร ช yeah. okay. าติพีโตขาชราพีโตขามาเลยนำมีโตขังโสกปวิเทวทุกโ ท, ทนะุปายาสาพีโตขาพีเยสัมปโยโคตุขภพีเยปโยโคตุโภยัมปิชังลาพิธิตำพีโตขังสังคิเตนะปัญจุปาทานัก okay. ันท่าทุขาเสยยาธิทั้งลูกผูป่าท่านักันโทเอสโนกวาของเก่านี่เมื่อเดี๋ยววันใหม่ที่แท้ก่นของเก่าสี่แบบวัถุกวาเน่ยคือเขาฝักลาเขาคือฟัก ฟักคอยฟักแห้งก็ตามเขาก็ฟักให้มันถึงนาเคียงอะของเก่าล้วัเด้มออยู่มาปกผิดปกผิปกผิดปกผิดสัตว์มกเงน่ายสร้างเล็ดตีตีเล็ดคือกันก็ตีตีถึงนาทั้งหละมันติตีคอยทีแห้งอันี้คือการทาทพี่หน้าอันี้ก็บว่าก็อยู่ในวงกายานครของเข้าหมดออนนี้อย่างนี้เลยสงสัยหรองบปานอกเง้ลูก เหงายู่บนหนึ่งฝนเป็นโง่บนหนึ่งฝนพอพุทธเจ้าสอนให้เห็นด้วยตนเองเมื่อได้บังคับเสื้อขัดเอาเงินเอาข้เต็มแผ่นฝ้าแผ่นดินมาบังคับให้คนทั้งหลายเสื้อลงรูดนเอาฟืนมาถิ่มใส่ไฟให้ยังไงมันมันจะจิตสนะขันท์ฮาเศร้าจังแหละมันก็ไข้พวมันก็ไข้ศรัทธาตนเองหรืว่าของสันว่าอันชาติสนะอื่น พเพา่อนขโมงเชแม่ที่มาทำลายพระพุทธศาสนาโอ้ยว่าใส่เสื้อนี่ยว่าแหละพวกข่า ว, ว่าออข้างพระเจ้ามพื่นก็มีอยู่ศาสนาอื่นพเพื่อนสิบทำลายศาสนาพุทธออ ท, ทุกทุกพระองค์ทีเดียวกา่าสิไม่หน่อยกูมูงแต่ภาษียังไม่ใจนะพ อ, องค์อื่นก็จันวานว่าคือการนะครับคขนาวาพระพุทธเจ้าองค์นั้น ตั้งท้ำไว้ังั่นพระเจ้าองค์นี้ตัง้งถำไว้ยังสี่พระเจ้าองค์นี้ตัง้งถำไว้ยังสี่พระันมันก็พอของพ่อที่สงสัยพระพุทธศา ส, น, นะสานาชาตินวงไปแล้วท่านท่านนี่เกือบเข้มดอกเสวะทันบ่ดอกเพชรดอกเพชรดอกสวสวะันบ่กบ็บอกนแนสวสสวมันเป็นของจริงทุกการทุกครั้งอาลีสัจจังจริงย่างประเสริฐ คนเกิดมามันแก่มันเก็บมันตายมันเป็นของจริงไปทั้งนี่ของจริงไปทั้งทุกข์มันเพื่ปฏิวัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์สิทธิมาที่ปัญญามันก็เป็นของจริงย่างประเสริฐเหมือนกันของจริงในอริยสัจสี่อริยรสัจเจเสวีวันตีป ร, ริวัตตังดวนานาากาลังยทาภูตังยานาดัจนัง ดุวิสุทางหัวศีลเวตาวัางเทเวสตีเะ เ, เกโรเกสมาราเกสปามาเกสัตตะมะนัพมันนียาประชาเยสะสตีวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมพวิงอภิสัมพุตโตปจัญญาสิงหัวใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่หยังหัวใจธรรมจักย่างชินชีสมุทยากธมมั่งสับพันตังเนโรธา ท, ทั่มมันติซึ่งไหนชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นไม่ครอบรับศูนย์เป็นธรรมดา ก็ด้วยใจควบมือคือแสดงวิปัสนาอันเองอนนี้จังถ้ามันได้เกิดแต่เหตุถ้ามันนั่นกระับแต่เหตุบาปมันเกิดแต่เหตุให้ดับเหตุซะให้รับเหตุเกิดบาปเพื่อมาบุญมันเกิดจากเหตุให้สร้างบุญ นี่ไม้จําำไม้ขึ้นไปสูงกว่านั้นซึ่งแรเกิดขึ้นซึ่งนั้นแปรปวนซึ่งนั้นแต่สลายอันนั้นสูงขึ้นไปก็อันนี้เหตุสัตย์เชสอนให้หูจับเปลือกมันไม่ต้นเดียวอ่ะก็เปลือกมันฟันเข้าไปมันแก้มันก็ะเพื่อมันฟันเข้าไปมันใจมันที่เพูนว่าการแสดงธรรมจักนั่น ในเวลาพระบรมศา ส, ส, ด, ส, สด า, าสแสดงธรรมจักมันะคนตาบอดอาจแเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนหลังข้อมก็หลังตรงนาต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดออกผ้าชนะที่ขวมอยู่ก็งายขึ้นเทว่านั่งมา้เทวดาทั้งหลาย ชัดทั้งอันว่าเสียงสุตว่ากระทรงขึน้นยิน่นเมด่อถืถือเมดอคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนเบียดค้นคอมกระหลังซือ้อมาสั่นนี่เข้าสิแก่ที่ไหนนี่เ ข, ข้ามาซา ด, ดีไปทุกขามันถือเมด่ได้คนตาบอดเมื่อก็มีซาดเป็นทุกข์ขึ้กันได้ผู้นั้นสีเข้าใจว่าถือตัวหรือว่าถือตัวกระซ่า เรื่องเทศนี่ม่ก็บพวกมหาภูเทศก็ผูู้ฟังท่านธรรมะจะะไอย่างไรอย่างเทศอยู่ว่ามีกเวนกัรขึ้นเลยอี่อัยเมียเคยเส้นความป่วยความหนากับว่ามีกาแเว่นกขึ้นอากาศลิโกว่ามีอกาศเส้นความใจกับว่ามีการว่นการขึ้นจิงอยู่ว่าในโลกธรรมะหายใจคลายจังหรือว่าห้ก็ตาม หม า, นายปวน า, น า, ารณาหรือว่าปวารณากันเทศน์ใข้าพเจ้าเพราะว่นาแล้วน่าเท่า น, านั้นเลยพระพู้เป็นเจ้าก็สร้างหรือว่นาปวารณาก็ตามเทศน์อยู่บ่มีก็เว้นกึ่งคืนให้ผู้ที่ฟังกับปฏิบัติที่แล้วมันอึดบัณฑิตเทศมันบื่อดเดียวเนี้ยคนตายจากเสาสายบายเทียงกบ่มีก็เว้นกึ่งคืนสจจิตายจากสายกระชังขอยายจิตห้ใจจากตายจากศีลจากธรรม เจ่นาหรือผวาปฏิบัติมันสิทำหน่อยทํำหลายก็ได้นั้นสิยังมีกิเลสทอเป็นฝาแให้ดินก็ได้นี่ขอสําคัญโสเป็นโซตายต่อวัคคุเทศศาสนาคณะคิดหนึง่งยังดีก็โซเป็นโซตายต่อเนยวอื่นต่าง ล, ล้านกดโกตึกติ้ตตวสเลยวติวผุนบราล้านผุนเราเป็นนิ้วสร้ำสามปีเนียวเราออกประเสริเพื่อนว่าว่าไปอีก มันบําบัญญัติจะประสงค์สายพระพุธระธรรมประสงค์ไม่พระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ทั้งฝ่าทั้งแขนของเมียนพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้เหลื่อมสายในพุทโธกับมันจิตมันใจถ้าโม่แปลว่าส่งใหม่ถึงขั้วเหลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมประสงค์สังโฆแปลว่าเหลื่อมสายกับปฏิบัติกับมันจิตมันใจเนี่เป็นข้อนาปฏิบัติตกลงของพระพุทธศาสนาการยุยใจเนี่ยคือออกเป็นเอกานิบาตไต้พี่ยกร่วมลงเป็นหนึ่งไต้ก็แปลว่าสามเนี่ย พิลกไปว่าที่รวมร่วมเ่ยรวร่วมลงอันเดียวกัรวบร่วมลงใใจลดที่ขวักขืนนวัมหาวักเียยก็ตามมาในคมพี่ไรก็ตามเฮ็ดบาปมาในคมพี่ไรสันก็มจากคมพี่ใจเห็นตัวเฮ็ดบุญกม้ยจากคำพี่ไรันกรม้จากคำพี่ใจเห็นตัวเฮ็ดยุข้างไหนสันยู่งงสาวัตถีผลบก็บูเป็นเฮ็ดยุ่งงใจนี่บกห้องสิปติทิศปริญญาตายยังกรดอกเฮ็ดบาปกรมเฮ็ดยุ่งงใจนี่บ เฮ็ดบุญก็บอกว่เป็นเฮ็ดในเมื่องนใจนี่บ่เเฮ็ดแล้วนั่นมีผูมิปญญาติอนมันบ่ตาก็มิญาต่อานั่นบ่ขอแบ่งส่วนเนี่ยไปยังใจตามันวาบ่บาปกรไดบุญก็ไดหูขอแบ่งส่วนในใจเอ้ยมันกับพได้ว่าด้ต้อง้องกันเป็นของเก่าปฏิเสธที่มาไวกับพระใดเหตุก็มาใจเป็นผู้สร้างขึ้นผลของเหตุก็บม่ใจเป็นผู้ได้รับเครื่องทดสอบเนี่ยพระพุทธศาสนามันก็บมีอะไรสิ่งไหนที่ทำแล้ว มันเกิดเดือดร้อนใจในผายหลังซึ่งนั้นบางคนทํานักต้องตรวจสอบในพุทธศาสนาซึ่งไหนที่ห้าทําไปแล้วด้วยกายไหวาจใจก็ดีด้วยกายร่วนร่วกดีด้วยกายกับใจร่วนร่วนกดีด้วยไหวใจกับใจก็ดีด้วยกายด้วยไหวใจกับใจก็ดีซิ่งนั้นทําไปแล้วนึกมายังไงแต่แข่แข่แข่แข่เดียวมันเป็นที่สวายซิ่งนั้นย่าไปทําอีกนี่ต้องตรวจสอบมีอยู่เลยในทางพุทธศาสนา พระุทธศาสนาขันว่าอาศัยรักเหตุผลเฮ่าก็บอยองเสือขึอนกันแล้วเหลุเฮ้เาเหตุดีสิตายเ่ามันเป็นอยังเมื่อกี้ยังไหนรับผลชัวกตระศาสตร์ก่อนเฮ้าเห็ดอย่างมาเดียวเลยกำบางที่หายพ้น น, พนี่ภพนีได้ภพนาได้ภ พ, พสืๆแล้ย่างยิงและหายลเป็นลำดับก็มาพันธุก็มาปฏิเสนว่นาง ก, งก็มั่งกตสามิขึ้นเบืองพระองค์เจ้าเฮ้า ว่างยาเขาพิสแต่ปางเพราะวอกขี่เส้นนำแต่ท้องเที่ยวในวันดาวสงสารมันยังตามไปจนสมัดสั์สู่ภายในผ่านผลนี่ไปบรรดาห้กินมุ่วนสันม่วนแต่มันหลงไปพอได้เงื่อนห้างเพิ่นรัวหรอมันหมถึงใจเพิ่นเหนืะเพิ่นามไปละอุปัฏฐาณขันเพิ่นว่างเมื่อคือเขามาเผาเพื่อนเท่าเขาเนเื่อนเท่ากับโซทิมแล้วบอกล่าวสมเอาไปเช็ดยังไงล่ะจบคล้องกับวิญญาณแล้ว ก็มกไม่ได้เฮื่อนใช่แล้วผสมวสตถิคายได้ได้เฮื่อนหลังนั้นผู้วัละ่ะอตะปูกับเขาเคมียังวัดห่ะไม่เกิดตีตะปูกับพระโยห่ออันนี้ผู้ผสมเฮื่อนใช่ไหมกระถือเต้เฮื่อนในเจ้าฟ้องเขาพระยุหันเขาถิมหรอเขาพระเชิดได้อุปมาคือกรรมตามถึงพระโมกขณาและพระพุทธเจ้าหรือองค์อื่นๆเลคือการพ้นถอนอุปทฏฐาอันนั้นได้แล้วจิตใจพ้นสูงก็อันนั้นะ เล่ไพมันตามได้มันก็ตามได้แต่จะอยู่ในวตารสงสารนี่แหละจิตใจเหนือวตารสงสารไปแล้วมันติดตามถึงยังไมันไปถึงเตี้ยหื่นทางเจ้าเก่าเขาเลยเขาคาพอมกขันลาก็ไปขาเหื่นทางเพ่นตีพภูมิตีเฟื่อยไอซื่ออุปมาขันหาเนี่ยอุปมาคือภุ่มคือเฟื่อยเด้เพลนปล่อยเพลนว่างพอมกขันลาประทึกตีพุ่มตีเฟื้อยเพลนไอ้ซื่อจิตใจเพลนสูงไปก็นั่งแล้วกลายเป็นธรรมะอันพยาดีละ ก็บว่าในมารับพิษรับถื่อนําตกลงกขาเนสังขารตีสังขารเนี่ยสังขารจะไปตีพระ น, น, นิพพานในอย่างไรไผสันนั่งอยู่เดี๋ยนบว่ามันสังขารในกองทุกว่พระนิพพานเนี่ยมาอยู่เดนนั่งนอนรับตื่นน้ำ่าวาวาสาเอาหล่นไผสันฟังฟ่งที่ยหน้าอยู่เียนก็ปูนน่ยพี่พนนพนนสังขารตัวฝั่งอยู่เดี๋ยนพระนิพพานเนี่ยมาฟั่งน้มูเฮาเพิ่นาสังคมกับมูเฮา ผมโมมันลูกกายน้ํากายเหลือวิสัยเส้นว่าไปบัญยัติลูกกายน้ํากายในพันิพาสเหลือวิสัยเส้นไปบัญญัติเป็นวัตถุคุณ ม, มากคือเต่าจังหมอกมากเล้วนะกระป่าหน้ามันก็ะเคืนได้บกมันกระลงได้โอ้ยห้าไปเห็นบอลว่างเว่อร์ด้วเสื่อมผลหมอย จ้างแนสบายไปสั่นนิสัยของป่าบ่เคยขืนบ่ได้เด้ขืนอยู่หน้ามันก็ตายใช่คือวนหันบ่ขืนนีหันบ่คือจอกวันนีว่าเพราะว่าคือบขตุมันเท้าไปซดนวันเงอบวันหันว่าสั่นขื่อันอมผมยันหนมาไต่ขอนไต่ลืบขีหินห็นบ่บ่บ่บ่่าเบ่า อันเดียวกันกับเฮาสีไปถามรสศาสตร์ของพระอรหันนีแหละเฮาอยากเป็นพระอรหันเฮาอยากเห็นพระอรหันเฮาก็ต้องเป็นพระอรหันสกวันเฮาอยากเห็นพระโสดาวันเฮาก็ต้องเป็นพระโสดาวันสกัก่นเฮาอยากเห็นพระสาาัคขะข า, ามีเฮาก็ต้องเป็นพระสัาคขะขามีสกักวันเฮาอยากเห็นาหาราหารรพระอนาคามีเฮาก็ต้องเป็ยนพระอนาคามีกวันเฮาอยากเห็นพระอรหันเฮาก็ต้องเป็นพระอรหันสักวันเราจะไปคเนีนผู้อืดขาดคเนี่นกับมิตรสุ่มเดาท่า น, ด น, ดนั้นแะขาดคเนเดาดลมิตาารอรทัน วันมันอรหันตาวันเขามาถามเหมือนกันหลวงปู่หลวงปู่ใครเป็นผู้รถพ้นใครเป็นพระเสด็จาบันใครเป็นพระจสกาคามีใครเป็นพระอนาคามีน่ า, า, า, าใพเคิดมาถามใครเก็บกลือคนนั้นก็จะรู้จักเลืเกลือเออหลวงปู่นอกเราเลยจะได้นเพื่อนว่าไปเพได้ใครเกลื อ, ก, อก็คนนั้นจะรู้รสเค็มของเกลือะ ช่อนตักอยู่วันยังข้ามมันก็ไม่รู้ระวังสิพระพุทธเจ้าหายซิปเ ด, ด้อเมื่อในบางเข้ามหายเหลื่อมใสเด้อเม่มันพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาที่ปฏิปุ้มตีเฟื้อไอ้ข้นมา่เหลื่อมใส่ตู เขาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามันมามีหลายเดย้มันมีหน่วยเดียวนีว่จะเข้าค่อยว่าวิ่บ่อยๆละ่ะจนหนวกหูเลยละ่ะมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อยศเพื่อซื้อเพื่อดวงเพื่อเพื่อดังมันปัญหามันก็ลายแล้วขาเดเนทะ่าเจตนาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงๆ ปัญหากับประลายได้แม่ถึงเฮาบจเลืิญนกับ่ะเสื่อมทมตัวเข้ามาส้มตัวมันหมายความว่าะเจริญนได้เพราะมันได้บุญเยอสมือนี่คือข้าเจ้าบมือนั่นแหะบุญหาิบวันบุญลอยวันนันสันนิอกในงานทันทียรเน่ะเาเลยว่าจัง คนบอพ่อพ be ่อหาิวนนั่นเทาเฮ็ดยื้สมือมัน่เป็นบุญบก่ผู้ดเฮ็ดบุญมันก็เป็นบุญยื้สมือผู้ไดเฮ็ดบาปมันเป็นบาปยื่อสมือเจังผู้ได้เฮ็ดบุญยื้อสมือเขาเรียกว่าต่ออายุของบุญยื่เสมือผู้ได้เฮ็ดบาปยื่อสมือเเรียกว่าต่ออายุควาบาปยื่เสมอเห็นหอันนั้นสมุดเวลามันพอดสีเฮ็ดได้ซื่ออันนั้นเรจัง คือเกิดมาแก้ปัญหาเจ้าของพระสวดาวันแก้ปัญหาในหลายเติร์ละบกขบวชขึ้นมันตีได้เมืองไหนก็บ่ทมันขบดชขึ้นมันจะคท่าข้ามีกับบขบวชขึ้นอีกพระอนาจ้ามีกับบขบวชขึ้นอีกพระละหันตีหลับคราสงฆามหลังหลกชนะมัดชนะความหลงเจ้าของมัดแหละ แกจ์ช่างปางปัญญาทางหลวงปัญหาพระเดชาสอดแทรกเจ้าของพอได้พี่แกหน้าแล้วพอได้เห็นซัดเรี่ยวไหวไฟตัวได้ข้าน่าเห็นสะกดละกายซัดนี่คับหน่อยมีผัวว่าสวยว่าง่ามันกต่ว่าสวยว่าง่าตามสมมุติอันสวยงามอีนดีมันกับพยอมได้หรอคะ มันบ่พอบ่คัดขานเขาจะซื้อลูบล้อบ่ลูบนั้นยังสั่นหนงสี่เขาก็ว่าตามสมมูลจซื้อพี่เคหน้าเขาไปในีมินเนร่างกายนี่ยมันรอบ่แล้ราะเนี่มันกับบ่ยอมล้งไหคือขาดท่นเนี่ยแต่ทามันบ่เอาคัดขาขดขีขามคัดขาดผู้พ้นดวงจักพ้นกับบ่เอาไปคัดขาดเขาไปยุบมันหันเป็นซุปเขาไปยุบมันนี้เป็นซุปสบายดียงังสั่นหนึ่งสี่คือจดหมายมึงเนี่ยเขียนตัวอาการข้าไปเจ้าอยู่ทางนี่ก็สบายดีดอกดอกอยู่ทางฝุ่นก็สบายดีดอกของพ้นตบอดตัวกัน มันเสิยสบายตายยังกิเลสพุ่นหมดันสุคนุกิเลสหมดถามวันนี้สัต่อตอวันนี้ันพงเมนม่ันเ อ, อดว่าคือคณมานัดวิจักขณะอยู่อำเภอตะกวัวถุเขียนต้นไม้เวลาเขาเทีเท่ยวจะ ท, ท, ท, ทักปักไตเขียนต้นไม้มาห า, าเขาที่บ้านพักทั่วขาวกระโสมตำบลกระโสม อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงากับบานของวันแน้นนะมันถังว่าบานพักโซ่ข้าวมันกรบบานพักโซ่ข้าวและบานอะไนี่คือตายนี้จากเลยบ่มันโซ่ข้าวเลยค่ะมีกิเลสไปเที่ยวในมาสางนี่บ้านคะแนนน้าอย่างเขาเขาจึงเรียกว่าบานโซ่ข้าวอยู่อันมูอเข้าพักเนี่ยก็พักกินโซ่ข้าวเพื่อกันคันกิเลสหลายฝันบ่มันโซ่ข้าวเลยฝันวนขึ้นมากอีกเสน่หัน เขาวาเฮ้าหลายคนอยู่อยู่แต่พูดจะกอเสือเรียมรากก็ะสัมสกกนมันถือปืนเขากรสันอาอมันมูมูห ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม า, า, ย, ว า, า, า, าวยว่าเสือเร็บมากสิหมายขาดอะไรผมสีหมายผมหมายว่าถือกะมูกได้หระผู้มาท่องเที่ยวในวัดตาสองารก็เขาสู้เนพันเหล่าเสือเมเสือเร็บมราบผู้ ม, มองสันได้ว่ามูจะไปบัญญัติท่านสันผมก็ยังบม่ลุกได้่ะ ย, ย, ออยี่ชอบงปอม ผู้เที่ยว ม, มาเกิดแก่เก็บตายในวัดตาทงศาลนี่เขาเรียกว่าเสือเรียมสากหรอผมมองของสี่ได้ว่าอาจารย์นึ่งพันว่าธุดองขวัดนี่มันเป็นอัตตากิเลสมันฐานโยกสันเขาในบาทอะไรอย่างน้ผู้คาร์เตอบด้วยบา้าน จังหวะวะท่านอันตัดอัตากิรามมทานุโยโตกันยังสมัครตัวผมวะพระองค์อดอาหารจนคุ้มขนคุ้มผมลนผลจังว่าอัตากิรมลยมัฐานุโยโกวไอคุบมั่นยืนขาเดี่ยวอาปากกินล้มหรือนอนอย่างกิเลสนอนขวกนอ น, น้ําจังว่าอัตากีรามถานุโยโกรึ้ยวะอันทุดงเขวัต เจรัสาธุดงสิบสามเนี่ยมันเป็นมัชชิมาปฏิปทาเลยจัดเขาในคัมภี่วิสุทธิมักวะขันตัวทูดงสิบสามกรเนี่เป็นอัตากินามัทานุโยกมกตะทาหังพะคะ ว, วาตาธรรมมั่งเทศที่ตังอาชานามิยะท่าเยเมอันตรา ย, ยิกาธรรมาวุตตาบุกวตากก่าขัดข้ามธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพิสู่น์ห้าไม่ฟังเมื่อสองฆโสดสวประกาศค ว, ว้าความนั้นจบนองฟายติ พิสูขอพิสูช น, นั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมโมโสถานกรรมกีร่วมนอนก็ดีท้งบายะตีผมจาได้อยู่เลยพราไม่นายูนวะผมบเสืร์วะโมล่งวะไปก้าวตัวพระพุทธเจ้าได้หน่วะก้าวตัขัดขานถ้าไมาศสนาพระพุทธเจ้าได้หนิวะถพระพุทธเจ้าไปบินทยบาในให่กุ้งราชเกเน่ยปนเขากระเทะลหันแกงเขากระเทศร้มหัน เขาคุจักห่อเปล่นคือจังหวาสมือนี่ดอกกว่าเพราว่าสมือเี่เขายังไม่มุกไม่ห่อเขาห่อเปลี่ยนใทุกอย่างบุวจ้ะแต่กี่เท่รลงเทรลงล่ะพระองค์เจ้าม่ชสันได้พระองค์เจ้าเลยว่าโอ้ยมันคือห่างมาเสนาอ่สันพวางสัตว์พอสุดขว้วกะจังหวะราะฉะันเตือนเจ้าของตัวกระบฏมาที่เพื่อสิค้นหลือสัออกจากวัชรงศารแต่กอนโตกับ ยูพาสห ร, รับเงินสหรับค้ำมาสินั่นนี่ซ้อนเจ้าของเรือ่อยๆออกมาเลยอาศัยเลียเ่ยงพูดเรี่องตัี้ได้อาหารดีอาหารฝันนีมาจะใส่มาสิเลยพี่ชนาตก๊กอันนี้ตัวมันโตที่เห็นเป็นตะ ก, กูลนิ้วในทองคับ่าสิราคาของโจนมันจะถอนออกอ่าถอนซอนเจ้าของพี่หนาตุ๊กเาเลย ราขาราขาของตัวข้อ ง, องหักตัวหักง่ามมันไปอยู่แน่ลำใสมันแหงนเอาแหงเหม็นกูนี่ตัวทายออกมาแหงนเาแหงเหม็นกูนี่ตัวเจ้าสันแนบภาชนะกับเขา่าเงืนเ ข, าข่าค่ําของเจ้าคยเป็นกษัตริย์เน่ยมันก็ลงไปเนายุบันเดียวหันตัวไปท่าทายก็ทายออกบันเดียวหันตัวไปสอนเจ้าของเพราะสอนเจ้าของแล้วสันพระ อ, องค์ก็กเลยสันเข่า บางบันบันบดาลไปทั่วโอ่ารดบรรดาลไปทั่วทิบทั่วแดนรู่จักแสบตามสมุดในวันนี้บวชว่ายำไมพระ อ, องค์เจ้าแต่เพียงมาได้ละขาราวาัต่ซื้อ เมื่อท่นเนี่มกพวนในผ้าเนี่ยังสั่มโอ้ยเบาด้สบายดีตะกี้พรจ้าก็บัญชีลายหลับรายใจพระเจ้าก็ไฟสีมาฝองทางไหนพจ้าก็ไฟสีมาทางไหนพเจ้าก็สีรับอธิกรไฟต่ออธิกนไฟพระเจ้าก็สีเฮ็ดทางไหต่อเฮ็ดทางไหนตื่นขึ้นมาเป็นวัดเดี๋ยวพูดดัดมาลองเรียนอันนี้เดี๋ยวผู้หนี้มาลองเลียนอันนี้นี่บวชเข้ามาแล้วจังแม่นสบายผมผ่าละนึกในใจ บรสันอาหารอยู่หาวันเกิดปีตีมูห้องเลยบวชว่าหิวแตตายแต่เขา่าเพื่อในปีตีเลยเห็นไหครับหิวตายแต่แต่เขามูห้องบวชมากพระองค์เจ้าพระได้รับเขานั่งสุดทศดาอายุ40เก่าวันรับเขานั่งสุดทศดาแล้วก็พรท่านโดน ก็ไปพาวันหน้าในห้อโพ่อสำเร็จพ้นจากปัญหาของเจ้าของหมดรุดพระอาทิตย์กำจักเมืดหายสว่างพระปัญญามันแก้ก่าละ่ะฟันมากมุนทองละ่ะเหมือ น, นเสียงเดือนตองวันเพ่นคับเมืด อ, อุ ป, ปมา แล้วก็เล่สิ้นควบสงสยัยก็เล่บันดาลื่อพระบิดาบาทแน่าเงันกบว่าปรากฏาบาทหายได้หรอรับขางัรรทุปญาตของนางสุทธาดนาะพระองค์เจ้าอาสดาดด้วยสันติวิธีพระพุทธเจ้า อ, องค์มรดกั น, ก น, นเคยรับด้วยมือมันมีบนอวะใช่่ได้เอา บ, บาทรับเอาอาหารนี่ นึกได้ในปทโโดย่างพิษดาดพ่อนึ้จ้สั้นแหละนงวิสาขะน่งสุดชาดาจึงมาดิฉันถวายทางถาดวันนีบกคนไทยบอคเล่าห้องว่าขนหนอยถวายท่าถาดเด้เงาปูก็ะิวัะตัวอกควบไทยเคบเกลจักเลยว่ห้องจากแล้วออกบเจ็ีหมุนห้องมุนไวอกไดท่านี้ กิน cơ มซะทีว่าเงินหมแเกลวน้ยกเกลวคนก็ได้รับทั้งฐานนั่นแะบาทเสียตักเสียโดยวิธีใดเหมืนกับพกก้าพิเสดานบอกว่าในสมัยนั้นบาทหายบาตหายแล้วพระองค์ก็เก่าทั้งเรื่องพรอนั่งที่เอามากพระองค์ก็ทําทาเหลียวบ่งบากก็ะทืงพี่เจ้าน้าพอพระพุทธเจ้าพี่เจาน่าเล้วได้ แม่พระท่านกับฉลูก็ยังเลวกับปุถุสนคนหนาเอาอยู่ผิดอยู่ น, นั่งในกับบรรดานตอบท่านเล้วยพระสันแรกพระวานาก็เขาอานาพระนัสตีนี่แล้วเหมือนั่นพระสิริอานาพระนัสตีขึ้นพรอานาพระนัสตีสุบนี้นั่นแต่พัดแรกหน้าขวนผลแรกหน้าขวนเอาไปไว้ในหมวาน พ้นเจเรื่ในปรมสั้นเนี่มดห้เห็ดยักษ์เทือ่อโมก็ถิอว่าโคตรขึ้นพราะไปย้ำอัาระดาบบเพรออาะกรรมฐานอื่นๆก็เห็ดอันสั้นอัตตาจิรามิธานโยโภกเจ้าม่วน้อยขียู่นเน่ข้าเข้าไปกินข้นขานาไปกินขี่ม่วงน้อยโค้ไม้ข้าเข้าไปกินโค้ไม้นเห็ดมืดแล้หรอในปฐมสัพพบทุก ก, การคิดทียาเนี่ยนีเขียมมนมดได้ขา ทุกการเจริแบบหนึ่งเด็กเงียบเสียงคนเร็วมากมั่มหนีเพราเขาใกล้มีอโคเสยได้มบ่กเด้เอาโรคในพุทธประวัติจะซื้อคนเสียเอาโรคหามันหมดมันพีผกสันว่าเพิ่งบเอามากาวซื้อเอาแต่ของชำควันๆนั่ซื้อ่าจะเห็นคนมาลี่เขาป่ารถเห็นคนมาลี่เขาป่าผึ่ปฏิปทานั่นก็ได้เห็ุมันบวมบนท่างสมัพรหลังหันข้านเข้าไปคี กินเียงว่าน่อยนี่ก็ะดิ่งอัตตกินในทานยมพระองค์เจ้าในเฮดมัดสส์อัเเนียละจะ่าเพิ่นมาเกลส์แต่อันวดอาหารขนเพิ่นมากลสวอดอาหารก็กลัก่นล่มเอา้ามันสิเป็นทางนี้ตัสูว่า่นางสกกลั่นลมแล้วมันบอกดังอูอก่ บ้าหมดเลยแต่ตัดสลุบบ้าคนสูบพร้อมยังสิมาโลโซเซเองสิบ่าสามารถสีปฏิบัติได้แล้วว่าสันพระองค์เจ้าจังมาเสวยพักกะระยาหารความสวยอันเสวยว่ามันสวยแบบไง่ายเดย้อันอวดก็ว่ามันอดแบบไงเลยเด้วความอดบ้าเทเลทเท่หน่อย ถ้าพ้นปกตูมบ้างน้อยก็พ้นปกตูมลงมาถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาเจ็บท่อเม็ดบักฝ่ายท่อเม็ดบักลำจะคอยเศ่าจะปลาได้วัะะถถมันวัดเศา่าจะพัดได้พระอง์เศ้าเวลาฉันก็คือกันเวลาฉันก็บคอยฉันขึ้นไปเขาที่นั่งสุดแทดาเอมามาไห้นะประมาณสี่สิบเกาค่ำมา่ิโค้งไปได้วันละค่ำมาสิ พอเมือัศสโลแล้วแต่ไปอยู่อัชบายแล้วนี่โคตกับปะนันราชายตนะนกับปะนันรัชยนจงโกมเจรีรัชนะขละเจรีกับปานันบรรเจตแลเจติแลเกตเริ่มเผชิญเจตเจตเป็นที่สิบเก้ามือแต่ออกจากขันจึงว่าค้นเห็น阿ลดาบทอุทกาดาบทเพิ่นมีพระคุณนะ พอไดไปเปลี่ยนามวัดปดสามาวัดเจ็ดเพลิบนบรรดาเที่วดาวพลมาอกเสียงยวๆตายแล้วได้เก็ตมือนี้แล้วก็น้อยไวยังไงโอ้เสียดายเนาะเสียดายเนาะเสียดายเนาะบ่ไปหาพวกฝเจ้าขี้ไปหาพวกฝเจ้าขี้พอแล้วเห็นพลฝนเจ้าขี้ อิตาเทาคีโรบดียัดถไปต้อนรับด้วยห้องวะใช่มาหาห้องะบาทนี่ใชยินเข้าสันอาหารเนียเด้๋ยวนี้ว่ิ่มขมเพี้ยนเวียนมาหาบอมากๆและว่จะไปฮับเด้ออิตาเทานี่วะ่นัดกันไว้แล้วพ้อเพิ่นประฮอดบาปว่เพียบพูนใ้เนี่ยบรรดานี่มาฮับีเจ้าอาด่ะมันยุว่าเป็ียนเน้่ มันเป็นเครื่องนึ่งดูดพ ร, ระองค์ก็เทศเอ่อนฟัา ง, งเทศกับเทียงพระองค์ง้วยเข้าใสนสำเร็จว่าผลที่พา น, พา น, พานเลยเลยระสัมันเข้าขึ้นสันอาหารพระสัมพนบัน้อท่านเป็นคนมากๆมั้งสันอาหารอีกแล้วท่านสิปัดสรูอะไวบนไหนอะไรท่านเป็นคนมากๆบัวเนื้อบอกกันไปบอกกันมาบอกกันไปว่าผมม า, าอไร ไปหากข่วมไซโฟง์พระองเจาเลยว่าความเหนี่ยข้าบริวอร์ยุทธเถื่อได้หมัวตวตวหาก่อนสดๆมาบอกไเห้องเดีวะะยวจ้ะบางทีแค่หน้างแม่ข่วมไซโงเจาที่ันเลยต่ำใจนางฟังหันต่ำใจนางฟังพระ่งเจาะเขาเยเถิอริยสัจฉิทำไมจักประวัติาสนาเท่าไรละ่ะก็มีโกนทัญญาในดวงตาเห็นถ้ำคือเห็นอันนี้จังเห็นอันนี้จังชัดไวันนัน ยังกินกิสมุทัยะธรรมังสะันตังนโรธธรรมมันติดชิงใดชิงหนึ่งเกิดขึ้นย่อมมีความรับสนย์เป็นธรรมดาพากรมฐานแบบกดพายมุ่งเดินโยกกลมรลอกกินขนมเขาบวชผลทุกมันจะเป็นเพศไทยหน้าให้เขาออ ล่วงโลกบวยหวังผลทุกบ๊วยมีเกตนาวงทุกฉันเน่บาปลอสันตัวเลยุกมปลอสันตัวทำท่าททา่าัวเด็อ า, อายพาแกนมีได้เาบอกกันิบวงผลทุกในวาะทสงสามเนะี่ยกอายจีนบาดไม่ัยได้เบอ เนีอ า, อายป็นขนผู้ขึ้นเขาได้หร อ, อถ้าบอก่าผลทุกในวันตาทงศานก็สูงผู้ข้าเจ้ายืนในเพียงว่าได้ซ้ำพวกกุมคาอันี้ผู้ย่องเนี่พลื่มตัวพึ่งแงบพึ่งแง ก, งแงกมี่ผู้ตีได้จบได้ตีตมผาผาาปัดผ า, า, า, า, า, านําแงพงก็เป็น พ, พ, พี่บ้านมักนองแต่บอกพี่บ้านมักตีแต่บอกอันมู้นนีคพี่แ่หน้าหมดเลย ย่องก็พ่หายตีดอยู่ในย่องตีก็พ่อหายตีอยู่ในตีแต่ตัวไม่นาทีห้องถิ่พญาย่ามละเหตุทีส่สันพังวาพระบวชใหม่ย่าจะพากันไปหัดอยกเทศจใจเขาเหลื่อมสายหลายๆพญาวาเนื่อ น, นึงเขาย่องว่าเทศดีปฏิตินอยู่บัตถึถือผู้เขาตีผดผ้าหน้าเขาบอเป็นดีนโคตควดอยู่พญาวาผู้เสียผู้จิตผู้ใจเวิดพญาวาหอผู้มันเคยเทศอันมื้อนี่ จักแตนผส ม, มพอดีบวันดีโดยสัตว์ประวะ่าเสื้อผู้คิดผู ม, มใจใช้ห่อเนี่ยพระพุพทธเจ้าเนี่ยหรห้าหกภาษาพัไปล่ามาในพระพุพทธเจ้าเฮาไปพูดเอวเพียวากายยาา่าซัดกับซัแท้แท้หมู่ห้อเนียงเงื่อนขอดพกยังสีเสียดายอะไรก็นรอกกเทียกไปท่านนั้นก็เงื่อนขอดพกมาวัานอพอกับพ่อให้พ่อหน้าเรียงสประแดก เพ่นัตว์กับสัต์แทะ น, นี่บาทน้อย น, นึง้องก็ไม่ได้ปลาดไเพื่อนทนุนน้อยนึงก็ไม่ได้ปลาดไงเพื่อนเพื่อนคือเมตต า, ขาเขาลวนเาหมูห้อง้ายแทะอั น, นี้ม่นีขึ้นพิจแกหนา้าเ พ, าพื่อพวกคิดพวกไกลเจ้าของนางภาวนาคือข้อไก่ตุมนี่นสับประงบงอ่างงอ่าง ง, า ง, ง, างอ่าเดียวจุกอมาสั่นกันเพระสบัติ่ได้ ดเขาทังกลมปั่นดึงัวตอข้อตอแอกกทีมกนออกใส่ท่ามกับอะไรลักจ็ลักแจ็กลักแลักแจ็ลักแจ็กลักแจลักแจ็กลักแลังแจ็กลักแจ็กกกันนอนคือกันขอ็กลักแจ็ักแจ็กลกแลักแกลักแจ็จลักแจ็กลัคแน็กลักแจ็กจลักแจ็ักแจลก ตื้นมุโสไว้งไงจังซีหูซีตาไปท่ามทาเป็นพระหลัหันบัดย่ามขาวบวัดเนี้ยท่ามทาเป็นพระรหลังเออบัดย่ามยู่วัดแล้วนอดตายเนี่ยเวิร์ดมือมันเป็นแต่เบืออะไรได้เนี่ยน่ามเป็นผู้เห็นคนมากจึงท่ามทาสำรวมบัดห้ายุตโตว่าแต่นอดตายอย่างเล็กอยู่หลอกกิงขนมนเขาแปลงชื่อแปลงขายบาปตายขันไพ่เราะเป็นเร่องสั่นมันก็บ่กไม่แน่เครียดอะ ทัายเปลีย่ยนเนี่ยสั้นแต่ว่ามันเนี่ยเคร้กันอ่ะมันเนี่ยแก้อันนี้เปลี่นเพระเลี่ยนในมว่าพูู้นี่ไอ้สเกตเบาามมิรไพร์ทเมงมันเอาอดอกไพไปเป็นเ่องอพระอุปัพกพระองค์เจ้าฮสมมตินว่าแต่บวชขมา้าปัหายอนอุปัฏฐากไว้แล้วอยากเนพิตโต้เขาเขาจะบวชบนได้ด้กันมด ไปเทยไปจบไปแกงงานยนุ่มไม่ทราบไปจบไปแกงคือไปปรผสมพุ่นขึ้นกันละนครพุ่นการคบคนพระจ้ไปแก่พระพุทธเจ้าพระทรงหามบอว่าพระพุทธเจ้าทรงหามเลยวะไปจบไปแจกเงานยนุ่มเพื่อที่จกกระเป๋าเขาพระพุทธเจ้าพรทรงหามบอกว่าเขาเขามาเลือกไปจบทไปแจกเนี่ยเขาที่ยุ่งในข้าวโดนปานไหนวะเขาประทึงถ้ำว่าเขาก็นี้ทนแล้ววะเสนออ้าวลองสั่งว er. ่า พูดคนเพราะว่าเอาลูกมันเขวัดก็ได้ดอกเมื่อยากเราเสียเอาคนมาเขวัดเพราะเพราะว่าเอาลูกเขาว่าเขาพ่อแม่เขาปรถึงมันกระชับเก่าคน้ดียวเล่ามื่อเราบอกมือเดียวกันเฮามือเดียวกันเที่ยวไปมาหาซื้อกันนสั่งย่างนั่นย่างนี่ก็ั่งเออสายนั่นสายนี้เพราะทั้งว่าดอกสมือนี่มันไม่สายหลายเด้สมือนี่ย้อนน้ำสมัยพ่อแม่คู่จันทร์แถวมัม่สายหลายเลยไผ่ปฏิบัติกับว่าสายปฏิบัติไผ่เลี่ยนกับว่า ไปเรีนเ่้นี่สายหลวงปูสีหลายสายหลวงปูหลา่าสายหลวงปูบวัวเออสายหลวงปูเทศโอ้ยก็บาหลายสายเนี่ยก็อิสเรียวตัวมันหลายพูดเขาประพฤติมีชิ้นหายอยูาอา่อาไม่ได้กาพ่นเขาบอกเฮงหนาเ้าจะเทียร์ติบอาหมเดียวกันบอก ข้างหนายพยายามแล้วประโจมตีกันมันบพราะถึําพวกนี้วัฒนาเขาเอ อ, อวัศร่อแฉะเนี่ยมุ่ขี่กันอยู่เรื่อยพันบจังสิว่ามู่เดียวกันวัศรเขาเลาบองสิเลย ว, วา่าพวกเขารักษาชินอยู่อาไม่ด้กาพุนเขาไปเห็นหนาเขาจะเทีอสิ ว, ว่ามันมู่เดียวกันบอกว่าก็มู่เดียวกันันทีวะเขาเลยอกวัศรสิว่ามู่เดียวจะผู้มากผู้เจ้าไปแก่นบอกว่ า, า ว, วัฒนาถูกให้โจลดื้อกัน น, นั่นละโจดผู้ได้ พวกเขารักอยู่อาแม่ดิการก็บแมงมู่เดียวเขาคือกันเขาโเหิหนากันจ้าเทือกหมบอกเขาสันแมงว่นเขียวเขาคือกันแมงผู้เป็นผึงเขาคือกันมันจิตฉีอยู่ว่างมม่ดิการ็มัเป็นจิตฉีอยู่้างไทยกับแมงมู่เดียวกันตัวสิว่าอย่างไรสันแมงผู้เม่นผึงเขาคือกันเห็นซํำนั่นม้นบ่ถึงใจเห่าเพราะว่าคนมเห็นถ้ำเห็นเป็นพักเป็นพวกโคตรพระัทาว่าพวกนี้วังอมิตรพระสันทาาตู้ลงหานโดเน่ย คำว่าคืนนาเรื <Peters> ่อยจะได้กิเลสเิ่นพเมียนนี่ก็ได้ไ่เป็นสิ่งสั่รเนาะอันนบอกอนุสร์กปาสิกะโก้เยยังซางพังกังพังคั่งบอกพื้นเรื่องผาได้เ่ยเรื่องานุ่งผ้าฟ้าย ผ่าได้ผ่าไหมผ่าขวมะผ่าเปลือกไม้กำมพละผ่าขนสัตว์ซานังผ่าเปลือกปาน่ใช่บอกในอนุศาตร์ซาหนังทังเงินโกเสยยังโกเสยยังผ่าไหมหร้อผาแพร่คังคั่งมันเอาไฟายได้เอาไม้ได้เอาเปลือกไม้ได้แกมกันของหายางคาโตนนี่แกมกันเรียกว่าพั่งคั่ง อันนี้ะพ่อทิพปฏิวัติได้เยดอกพอจริทุกได้ยอะดอกอัติเลกราพ่อผลว่าอัตเลกราพ่อแล้วอันนี้ห้าวว่ามันพามิสริลินกับว่าพอทิปฏิวัติได้แล้วอีพอยเมย์ุยวนผามิตรศลินหรือมันพาอันทุเลทุรอนหรือว่ามันพามาตาอินเดียกับปฏิวัติว่ไรล่ะผ่าฟกันนุงม่จากได้ปะเน่หังมู่ห้าไปเที่ยวน่น ตัวลดลงมารถไม่ไมะลช่อใส่ล่องเท่าทีน้องสูงจากแขกจากแข่มากท่านี่ก็ับสูบยาค้องซ่องเนาทีมันเบิดเใล่หออากาศดีเธอได้บาดแผลในจำปนบกเสือได้ เ, เอาลยได้าาทางวันทางทีไปเลยได้เพ่นนั่นและมันจะตายล่ะเออนี่เรามองตายลยนับที่บรุกูหลังน่ะที่กี่แท้ตัวพฏิวัติมากครับกระทนุน ไม่ไพนแล้วอีพอไอแมเลยบัตรเกรดตอาหารกับลูกแกะว่าไหไวัดศิลปนอนไหวสักสาาก้อนซาลากะซะลาฟ้ามั อ, อยู่ในปีที่แลกกะซะลาฟ้ากันแล้วขีเกียร์ ข, ข, ขี่ใส่วัสดุข้อนหน้ามัานงจะพุ่นหัวครอบุันโสเป็นโสตายในพระพุทธศาสนาจะซื้อได้เนี่ยจักพ่อพันนี่ได้เนี่ยแค้มีก็เลียร์เฉแคงดีก็กาบท่องเที่ยวในวัดเ้างสารนื้อ แล้วหนามันมันอยากมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนี่ยมันเห็นทุกมันเป็นเรื่องเห็นทุกประจำวันเนี่ยยุ่ผู้น้อยเนี่ยออมันไม่ได้ลื่มตัวทึงบุประกำมือสีเมยเน่ยหละคือพอเห็นเสื่องไห้เสื่องถวยอยู่ยนั่นมึงนี่ไหมมันจะเป็นขาเป็นคอมม้าจากาักสานจักพบปแลวกับพระจักดอกมาอยู่นี่เห็นเสื่งไห้เสื่งถวยอยู่ยนั่นม้งนี่หรือว่าเป็นเสือเป็นงูอยู่นี่ก็บพจักแล้ว ของขันว่าตามอิทธิวุติกาเนะี่ยมันกระลายโคดเดะพระพุทธเจ้าขึ้นบงังจากกับเดียวกันน้ำตาเก็บไหวเทรยศตัดระยศบระห่อันตรารธานไปกับหนึ่งมากกบซี่มหาสมุทรแต่ละคนละคนกระดูกกระไงเขาพูดเขาที่น่โนราดพลเอาไว้เสื้อกับนึงเท่านั้นแต่ละคนละคนบระห่อันตรารธานไป บอกสั่นมันบอนมันบอนใหม่ด้วยบอนเก่าพรามูฮอว์วัดนั่นแ่ะใน่ใโลกธาตุเน่เคยเที่ยวมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายมัวละหกกับบมันบอนในบอมันบวนใหม่ก็บบนเก่ามู่อว์เคยตกมาแล้วสถิติสารง้อกล้วยไปเขาเมื่อน่นเคยได้เมี่ยงง้อเมี่ยงก้วยผัวง้อผัวกล้วยมนุษย์พ่อแม่ง้อพ่อแม่คล้วยพ่อแม่เปชรพ่อแม่ไก่มาเมื่น่ะมูฮอว์ขันทีว่าตามอิติวุตกาภูเขาเท เอาไปอ่านมังลงอ้ยน้ำตาไหลซาสะในพระไตรปรักสังเวกห้าสที่กจา ม, มันมันไม่มห้าวันผู้จะก่อกับวันเก่ามู้ฮ่าที่ค่อยท่องเที่ยวมาแล้วตัวาพัยที่เป็นเจ้าลกกูกตัวมีตะควงไตเป็นเจ้าลูกอเมริกากับว่าได้เป็นอันเกิมกับว่าได้เป็น เกกับว่าได้เป็นจีนกับว่าได้เป็นคนที่สุดกับไปควบตายนี่ยจะเป็นเจ้าโลกทุกข์เท่นทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกเป็นเจ้าโลกคนมาพูที่เจ้าะคนหลอกสันเลยภัยทมาเป็นเจ้าโลกเนี่ยมิได้ควบตายเนละสงครามเกิดสงครามแก่สงครามเก็บสงครามตายมันอยู่ในสนามสงครามตัวเดียวเนี่ยสมบัท่านชนะเด้ สงฆามเกิดกับพระพันธนาสงฆามแก่วันธนะสงฆามเก็บกับพระพนธนะขันธ์ธนาสงฆามอันึงกับสงฆามธนะเมื่อขันธ์สงฆามเกิดกับขันธ์ภพสงฆามแก่เท่ากันนั่นแหะขันธ์วุฒไม่เกิดเพราะแก่มันไม่จะเกิดขันธนะสงฆามกิเลสธนาเมด่อขันทํารรมานมันคือปัญจขันธ์กิเลสมานมานคือกิเลสเทวุฒิมานมานคือเทวุดิมัจจุมานมานคือมัจจุณะ เท้าวุติมาร์ทเท้าวุฒิสมาริเป็นมาร์ทนประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่เป็นเทพพระบุตรมันก็เป็นมาร์ทที่ว่าสามารถเลยมรุณในพรานในปัจุบันิศาสตร์พลันของสันนิษฐานเมธุสักงกโล ก, กนี่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะได้เป็นเทรพรเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งชื่อว่าพรหมจรรย์ของผู้นั่นขาดชื่อว่าพรหมจรรย์ของผู้นั่นทะลุพรหมจรรย์ของผู้นั่นด่างพร้อย ผู้นั้นมาพุทธพมจญชันไม่พ้นไปจากทุกได้แต่เป็นนิสัยอยู่ของบ่าวังว่าสิพ่นบ่พ่นทุกนั้นปัจจุบันนศาศาัซ่าคนเราของสี่หรอกแต่เป็นนิสัยอยู่วางท่านดังที่มีคนไปถามพระองค์เจ้าเหมือนกันเไหนคนจงึงมาคนทุกนั้นปัจจุบันนศาศาัซ่าพระเอ็นไปถามพระองค์เจ้าเขาบอพ่อใจพิจณาอนิจจังทุกครังอ น, นตัตตาเป็นอารมณ์ เมื่อเขาพ่พ่อไก่พี่แก่น้าอันนี้จังทุกครั้งอนันตาเป็นอารมณ์เขาก็ไม่มีพักตู่สิเบือรนายไข่เมาทั้งปัจจุบันอดีตแอนาคตแท่นที่พระพุทธเจ้าสิตอบว่าเป็นน้าด้วยก่ำของเขาเป็นด้วยบันนีของเขาบ่อนแก่ก่าันบ่กตอบซะมันก็เป็นตอบอยู่ในตัวเลยฮะเนี่ยบ่กตอบคือไปตอบอยู่ในตัวฝันพูดได้พ่อใจพ่พี่แก่น้าอันนี้จังทุกครังอนันตาก็เท่าะเก้าว่าบาทและนี่เขาแก่ก่า นี่มันผันเพี้ยิหานี้ะเนี่ยก็มันชีว่าพ่อใจกับพ่อวานแล้วมี่มันมาแก้กันนี่มันแก้กันยี่ในตัวแล้วฮะบวชที่เราบวมีแต่ขังพุทธการขังนี่ก็มีอยู่ดอกบานกับนเต็มพู่มดอกตูมกตูมเต็มพู่มดอกไต่หน้ากับตหน้าเต็มพู่มเดี๋ยวาอยุ่บ่อยๆน่ะย่าลืมก็ถือว่าออกยุ่บ่อยๆนี่ นึกปฏิว่ามาผลนี่พลามดมัดแล้วมันถมัดปสมันเข้าบสถิิบัติมันมดเนี่ยผู้พนปฏิบัติมันพนได้ย่ยสิว่าอย่างไรเออให้มึงเ็ไปเถอะเห็นได้กับพหามมีดอกให้มึงภาวนาปฏิบัติไปเถิพราะว่าผู้นึงมัหันมมีดอกสมอเอว่าอ๋อ ก็มีก็มีบรรดาออกเยอะขึ้กันผู้เป็นเศรษฐีเข ย, ยังมีอยูน่นี่ในหลวงบน8ปดคนเคาขาบอว่าพระวุลทัวผู้หนึ่งเป็นคนที่8มือวันโจมวันฟู่เขาโจมเขาฟู่น้ำบอกเขาก็เป็นเศรษฐีทั้ตัวลูกกาวินาทุก